เรจะต่อตัวทุกน่านมาต่อต่อปันยนมาทำให้สบายสบายใจเรามรียนศาสนาธรรมกนะเป็นโอกาสเพื่อในชีวิตหนึ่งใหีเาที่จะแส้ธรรมะในทอมาสู่โลกมีจำกัดมาก การทจะเกิดพระบุทธเจ้าสรุปพระพุทธเจ้าหลายหลายขับวปฏิสูรแล้วสัตสอนต่อหล like ักฐานบริรักษ์ธรรมาวะเรื่องที่เจ้สอนใ้พวกไปศาสนาทั้วเดิมหลายขัเป็นแบบนั้นตั้งแต่เฉัยอริปัสสีและสีขีพเวทสนตูมายุกล่านี้พูเจ้าหลักฐานบริรักษ้ธรรมแล้ว ศาสนาแย่เสียข้อกเได้นับช่วงเวลาแล้วิดเดียวงสามกวาปีเวลาที่โลกเปัี่ยนไปมันก็นามากเกินเวลาที่มีพรทศาสนาพระเจ้าศาสรู้วการสียธรรมะน้บางคนบางคนในช่วงนั้นมยมกาันบทีเราป แต่ไปภูมิจางไม่ได้ํางไปเรื่อยที่ที่เกิดในภูซึ่งติดต่อลบไม่ได้เกิดในอรูปปุพุกิพวกเราถือว่ามีบุญมากเป็นมนุษย์ก็เป็ น, ปน ม, น, มนุษย์ส่วนน้อยมนมุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธรรมะเราทำแต่เรื่องารทั้หดที่ว่าดีแต่เนี่ แค่โอกาสที่พวกเราจ็ได้การธรรมะยากแต่ถ้าบัณฑิตมีพระทเจ้ากระสือรูปบัณฑิตสุภาพมาเจอพวกราแล้จะเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นมนุษที่สมบูรณ์แบบไม้ได้ลาไหลอกหลอกมาแต่นเราาไหลออกมาแต่จำเนรเราภานาไม่้าเธรรมะไมได้นส่ั้จะเป็นมนุที่สมบูรณ์ ยังกันใจันเร่องการทำความดี่วลาทำความดีเวลาสั้นทเดีสั้นทเดียวขอให้เราตั้งใจัำเวลาทำความดีเหมือนเวลาเข้าเข้าพระเจ้านะแต่รับข้าเข้าพระเจ้ารควจะเข้าใจระบบให้ตอบสนอง เวลานี้เป็นเวลาเข้าข้าวพระเจ้าเอราะว่าสร้างปริญญาการแลกจีนแต่ท่านให้ธรรมะเป็นศาสดาแท้ของท่านยิ่งเวลาไอการังธรรมะเป็นเวลาเข้าขพระจ้าตา่างกับควาน้อมเรือความสะดวกด้วยใจที่รู้ตื่นบนระหาัเพื่อกระแสธรรมะที่ได้ไหลทอเข้าสู่จิตของเราธารมะมีหลายทอดจากปาก จำสอนเข้ารู้ที่เราจำรัเข้าได้ม่ได้ธรรมะที่ายทอดจากิตสู่จิตครูบาอจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนกรรมฐานที่พอดี ก, กับใจของเราในขณะนั้นแล้ถ้าใจของเราสมอบสมบรณ์ใจของเรามีสติมีปัญญาเป็นที่กระแสธรรมที่ครูบาอจารย์ายทอดให้ที่เป็นธรมาที่ประณีถ้าใจเรากระโดดระเด็นกาถ่ า, ายทอดธรรมได้น้อย ม, มาการสอนธรรมไม่เหมือนกนารสอนปริญญาปริยญนะาต้องเรียนข้อมูลมาต้มาสอนตามที่ตั้งใจไว้เร็ยหัวข้อควรความมาสอนจนกาต้องมาพัาเอาจบแล้วต้องได้ไปสอบได้ธรรมไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะตมม้วงฟังด้วยใจใจที่รู้ใจที่ตื่นใจที่เดือดวาใจที่เปิดใช่ใจที่ติดก็มีนะครับือด ม, ม, มากๆโผล่แสง รากอะไรใหม่ๆไม่ได้ใ่ที่ปิดอีกแบบหนึ่งคือใจที่ติดสมถะปิดสดนออย่างเดียวเลยเรืยองอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พวกเรามีใจที่อ่อนนะคจอ่อโยนรุวงรือนนะควรเกิดการฝนะ่าธรรมะก็ฝ่าให้ตัต้ใจฝ่าไมต้องขายรูปเหื่อ้ะไรนะเสียเวลาเราธรรมะอีกว่าธรรม ถ้าเราได้ศึกษาเราศึกษาหนเปลี่ยนชีวิตของเราได้ในเวลาสั้นใช้เวลไม่นานในการเปลี่ยนตัวเองเมื่คนเกิดมา20ปี30ปี50ปี80ปีก็สะสมเปลี่ด้วยเัื่อยๆสะสมความหลงไปเรื่อยๆอาสัยวามีบุญวาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะรู้วิธีปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในเวลาเพียงเดือนเดือน หลั ง, ล ง, ลงนี่คนเรียนคนหลวงพ่อแต่สอเดือนแลน้ น, ล น, นปเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่นตัวเองจากคนหลงเป็นคนที่รู้สึกตัวในรอบไม่มีคนรู้สึกตัวในรอบมีแต่คนหลงหลงไปไหนบ้างหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงทั้งวันจิตใจไมนอยู่กับนื้อกับตัวอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะรู้ว่าเราควรจะปลดจิตใจให้อยู่กับตัวเราก็มารู้สึกตัวได้ด้วย สภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยในสภาวะที่หลุดออกจากความสุขสุขสมได้ไม่สุขสุขสงฆ่าข้านเดินไปนหลงแบบเครเทินตามอารมณ์ที่มากระทบคนในโลกนิสสัก้งหลายหลงตามอารมณ์ที่มากระหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่หลไป น, นิมนต์้องหลงไปรู้สัมผัสการตายหลงไปคิดนึก ต, ตู่แตกทางใจ ใ, ใจที่มันหลงออกไปหารูกหาเสียงหากลิ่น ห, หาร หาสัมผัสทางกหาเรื่องราวทางใจใจอย่างนี้ไม่ควรแก่ธรรมะสุดตรงเป็น า, า้าวตาใจกีดมันอยากไปดูเราไปดูมีความอยากก่อนความอยากเกิดขึ้นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดก็วิ่งไปแล้วนก็เกิดรวงแตกต่อดวรอบดวงโอวงอะไรขึ้นมาสาราัจะกสุดต่อแค่าจที่เราจุปลอยเยออยตัว ห้จิตใจเราล่องลอยท้งวันทุวันเป็นความอางาพอย่างยิ่งเนี่ยกล้อยอย่างยิ่งก็สัตว์เท่าไหายก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสัตว์อา็าตัวเล็กตัวน้อยหมาแมวมาขีเลื่อนหมาวาดถึงก็เป็นแบบนั้นคือใจนไปข้างนอกตลอดเวลามันสนใจสิ่งข้างนอกสนใจของที่มากระทบมันไม่สนใจตัวเองจิตใจม่อยู่กับเรื้องตัว เราจะต้องพยายามรู้สึกตัวได้มากนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้บ่อยที่สุดหลงได้ไหมหลงได้ก็ถึงในไหนมไม ก, ก็หลงแต่มไม่ใช่ปลูกจิตภูกธรที่จะไม่หลงเลยไม่ใช่การหลัขนขณะถ้านอาคามีจิต เ, เชื่อไหนหลงเครื่องไปไหนแค่ไปในอรุทธิฌาลความสุขของสมถ ค, คิพย์ไหนพวกนั้นที่เป็นเชื่อเป็นจะเกิดได้อ สัตว์ไหลเลื่อนไปทางตาทางูาทางจมูกทางนิ้วทางการทางใจอุตรุษไปเพราะงั้นการที่เราปล่อยใจให้ไหลออกข้องนอกไปเรื่อยๆเราไม่สามารถเตี้ยเข้าสู่ความใสจางอันนี้ออกข้างนอกมาแต่ไม่เข้าสู่ความใสกลางนี่นะปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าสู่ความใสกละะางละปฏิบัติส่วนมากหลงไปสู่ควสุโตอีกข้างหนึ่งคือสุตโตในข้างบังคับปุ๋ย อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราเ้าอให้นั่งสมาธิเาพวกเราทำสมาธิเราเลือเขย่ต้องนั่งให้ดีก่อนัน่งเข้าที่แล้วก็ดัดแรงร่างกายให้ร้อยแล้วต้องเริ่มดัดแรงใจให้สึมซให้นิ่ง่งส ท, ที่ระ้วคอนาดีร่างกายมันเคื่อนไหมแล้วให้มันนิ่งจิตใจมันเชื่อนไหวแล้วไปทำให้นนิ่ง เ, เราบังคับมัน และสุดท้ายาก็จะรู้สึกว่าภูมิคุู้้บังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยะร้อยถ้าในบังคับกายก็บังคับใจส่วนใหญ่เรบังคับทั้งคู่ทั้งกาทั้งใจเริ่มจะบังคับกายก่อนแล้วพวกเราลองนั่งสมาธิทีนะขยับนะ <c oughs> โ, ดโดยสัญชาตญาณเลยทั้งที่รู้แล้วก็แล้วก็อยให้ไปดูแล้วเียวารณ์บอกให้นั่งเฮีไหมปวดไม่ได้ ทำไมธาตนี้มีสมาธิไม่ได้ธานี้สมาธิมันอยู่ที่ใจใจที่อยู่กันด้วยตัวนะใจที่ไม่หลงไไหลเพราะเ้ตัวไม่ได้หลงออกข้างนอกไม่ได้รับาไปให้ไหลหลงไปข้างนอกก็เรียกว่กาตามสุภะกิริโยกบังคับอยู่การที่ใจควบคุมมันนมันกะดิกดิกไม่ได้ให้อัตตาละทาริโยกบังคับตัวเองจำเปให้ลำา คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินธรรมะท่นจึไม่สามารถเข้าสู่ความสะอาได้การที่จะนำจิตเข้าสูความสะอนั้นเป็นจิดที่ตั้งต จิเข้าสู่คามสายกลางเป็นจุดตั้งต้นของการเจ ร, ริญปัญญาเพราะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกัตัวมันจะสามารถเรียนรู้ความจริงของการถอนใจได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกัตัวหรือบังคับการบังคับใจอยูเรียนรู้ความจริงของการถอนใจไม่ได้นั่นเป็นจุดตั้งต้นที่พวกเราต้องฝึกต้องฝึกจิตขึ้มันให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รผู้ตื่นผู้เบกิกบานที่อยู่ในความสายกลางเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ สำคัญถึงขนาดที่ว่าธรรมะบทแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเริ่มต้นด้วยการที่สอรา ว, ว่าผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้สุดต่งสองข้าข้างตามใจกิเลสแต่ลงมากไปอยากดูก็วิ่งไปดูอยากฟังก็วิ่งไปฟังอยากคิดก็วิ่งไปคิดเรื่อยๆแต่ข้างบางข้างกายบางข้างใจอา า, จอ า, า, า, อ า, จาศเมนาาศโยคธรรมจากอภิวาสูตรนเป็นขระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดง เริ่ต้เนเสร็จการที่สองให้เราเข้าสู่ตามสายกลางเลยแะวเราจะต้องน้อนมนำจิตขอเาเข้าสู่ทางสายกลางนี้ให้ได้จิตมันจะหลงข้ามมันไม่ได้แต่อย่าให้หลงนำถ้าเราควรหลงเราจะบังคับเอาไว้จิ น, นี้จะสุตกตกดนข้ามบังคับใจจะแน่นๆน่งั้น เ, นเราปยายามาใช้วิธีอย่างนี้นะวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างนึ่ง จะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะขขรู้ท้องอวัยุยก็ได้นะการปริบันิอะไรชั่วยอย่างเดียวก็ได้แต่เมื่อทําปริบัตา น, นั้นแล้วเนี่ยให้คอยรู้ทันพฤติการของจิตไม่ใช่ทำปฎิบัติเพื่อให้จิตนิ่งถ้าเราจะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลแม่สุดโต่เป็นแป้งลงตากิเลสแม่สุดโต่งข้าวบักข้าตัวเองให้เราทําปฎิบัติอย่างเดียวจะคอรู้ทันจิต จิตธหลงไปตามอารมณ์โดยเฉพาะหลงไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดหลงวิธาร์ลงตางใจหลงไปคิดจิ่หลงไปคิดเรารู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดการหลงจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปเนี่ยเป็นจิตอกุศลมีกิเลสมีกิเลสชื่อว่าอึดคาับจั่ความคุ้มเศร้าเป็นโมหะจิตนั้นมโหงมีโมหะไหลายไปหลงไปฟุ่มออกไป เรามีสติรู้ ท, ทันว่าจิตมีมัวมันนี่าันว่าจิตฟุ้งร่านทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัตินตเป็นกฎกฏธรรมะเมื่อเรามีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อเรามีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติถ้าเราใส่สตินี่แหละรู้ทันจิตมื่ไหลไ ป, รไลไปเรารู้ทันไหลไปคิดเรารู้ทันหรือเราทำกรรมานอยู่เราดึางขคองยกอยู่จิตไหลไอยู่ชิดเขาเรารู้ท เราต้องลองหายใจจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลงหายใจเรารู้ทันถ้าเดินจงกรมนะจิตหลไปคิดรู้ทันจิตหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะหยุดเคลื่อนโดยไม่ต้องบังับถ้าเราบังคับมนะันก็เป็นตัวรู้ที่ใช้ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวนี้มีสองชนิดรู้ที่ถูกเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้กับบาจิตจะมีความบา มีความมั่นมั่นอ่อนโยนเพองแค่ว่าไหวควรจัดการงานชื่อตรงในการด้วยว่าเราส่วนจิตที่จงใจรู้มันจะเข็งกระด้างแข็งแข็งแน่นแน่นหนักแล้วถ้าเราจงใจรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะเล่นมันเลยจิตแน่ น, นแน่เดินปัญญาไม่ได้นะไม่ใช่ตัวรู้ที่ดีเป็นจิตที่ถูกบังคไว้มันเกิดได้ยังไงเกิดจากต่อมโลภ ก, กับโลภอยากปฏิบัติโอภอยากดียากรู้อยากเหน็นอยากเป็นอย่างไร้อาศัยความโลภเล้วก็เลยเกิดการกระทาํากรรม คือการเจ้าเจ้า อ, อยู่ที่กายเจ้า อ, อยู่ที่ใจเจ้า อ, อะไรสัอยาางหนพระเจ้ากายใจก็เกาะนิ่งอยูอใอย่ในอารมณนั้นนะ่นซื่อๆอยู่ตรงนั้นเลยใจซื่อๆจะไปเอาอย่างนั้นพราวนานอย่างนั้นเสียเวลาไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาในทักนะเลได้แต่ความทูกความลำบาบอาศัยการรู้สิกที่ผิดนะและสิ่งที่ถูกกันตุไม่ใช่พยายามทําสิ่งที่ถูกพยายามทําสิ่งที่ถูกคือโลก อยากทาให้ถูกก็ผิดทันทีมันผิดตั้งแต่อยากทำนะให้รู้ทันตรงที่ผิดก็คือให้รู้ทันตรงที่จิตละลาย ไ, ไปเราพุทโธพุทโธหรือเราหายใจหรือทำปัญหาอะไรก็ได้สัก อ, อ ย, ากย่างหนึางจิตเคื่อไนไปสำรู้เคื่อไนไปดูเคื่อไนไปฟังเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปภายนอกเลื่อนไปที่มากที่สุดเคลื่อนไปจิตและเวลาเราเลือกถึงการปฏิบัติก็เคลื่อนไปนเ่ง เพ่งลมายใจเห่งมือเพ่งท้าเพ่งท้องเพ่งนิ่งอยู่ในรูปกรรมกรรมบางทีก็เพ่งจิตถ้าเราเพ่งอยู่ปัญญาจะไม่เกิดถ้าเราลงไปเลื่อนกายเลืนใจปัญญาจะไม่เกิดตรงนี้เราเป็นจิตแตกหักนะจิตของเราจะต้องพัฒนาให้ดีสุดตอนคือจะเจริญปัญญาได้เพราะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่สองสี่แล ส, สิกขาจิตตสิกษ า, กษาปัญญาศิกข า, าศีละสิกขา ก็ต้องเรียนนะถึงคำใช้ ค, คําว่าศิกขาสิกขาผู้เรียนเรียนว่าทํายังไงสิจเกิด อ, อยากให้สิ่งเกิดก็ต้องรู้ว่าทํายังไงสิง่งถูกขาดศีกขาได้ต้องกิเลสเพราะควจิตราคะเพราะควจิตเก็ทำผิดสิ่งห้าได้โสันเพราะควาจิตก็ผิดสิ่งห้าได้โมหะเพราะความจิตก็ผิดสิ่งห้าได้แค่เราคอยรู้ทันจิตของเรา กิเลสอะเกิดเรารู้ทันกิเลสอะเกิดรู้ทัรนราคาโทสาโมหนะเนี่ยพรอสติไประลึกมันจะดับอโนมณ์จิตไม่ถูกกิเลสก็หันสีมัตจโนมันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่สีมันจะโลมันจะเกิดนะต้องมีสติตั้งใจฉุดก่อเพราะว่าสติของเราไม่ ด, ดีพอต้องพยายามตื่นตัวตื่นนอนมันก็ตั้งใจวันนี้รักษาสีห้า่อจะกินข้าวช้าก่อนจะกินข้าวกลาวันก่อนจะกินข้าว เ, เย็น ก, ก็ตั้งใจว่าจะรักษาสีห้าเพื่อข้าวติดคอตาย องไปเจอนะคือแค่ติดคอไปตั้หลับไม่ทันเลนะแฝไปก่อนอนก็ต้องใช่ก่อนนอนเราไม่ได้ตื่นในวันเดินนองให้ได้สักห้ารอบต่คืนนอนมานะก็กอดอาหารสามน้อแล้วก็ก่อนนอนรื่อยๆเราก็รักษาสีหน้าที่เปกาเตือนตัวเองก่อนแล้วก็พยายามมีสติไวว่งหัดกิเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรจะได้สิ ล้วก็อาศัยสติเนี่ยแรู้ทันจิตที่ฟุ้สร่านจิตไหลที่คิดก็รู้จิตไหลมีเพ่รู้จะได้สมาธิที่ถูกต้องแม้สติตัวเดียวนะั้นรู้ทันจิตเนี่ยได้สิ่งได้สมาธิจะใช้วิธีอื่นแลี่ยอ้อความมากอยากจะรักษาสิ่รักษายากถ้าไม่รักษาจิตแล้วเราเองรักษาจิตไม่ได้จิตต้องไหวเกินไปสิ่งที่จะรักษาจิตได้คือสติกระนั้นสติมีหน้าที่ ร, รับข่าสติเป็นเครื่องตัวรองรักษาจิต หน้าที่ของเราก็ฝึกให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพจิตเห็นสภาวะบ่อยก็แค่นี้เองก็ไหนขี้โมโหก็คอดูใจมันโกรธขึ้นมาลุทานใจมันโกรธขึ้นมาลุทานก็จะเห็นมันโกรธอยู่ ช, ยช่วงคราวกะตัดาจเกิดและวก็ตับไ ป, ป, บไปต้องตกรธน่าจะต้องบามจิตไม่ได้จะไม่ผิดศีลเพราะความโกรธตอนรอบเกิดขึ้นก็ทำบำญจิตนะตเกิดผิดศีลได้ทั้งห้าข้อ ไม่ใช่ว่าตารตรวจผิดศีลได้บาข้อความว่าผิดศีลได้บาข้อนะเราผิดศีลได้มาห้าข้อเลยตรวจขึ้นมาทําร้ายเขาก็ได้แก้ความโวยซับชินเขาก็ได้แก้ผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้แก้ชงให้เสียคนไปเลยก็ได้ทำได้ทั้งหมดโทรศัพท์เกิดจิตใจช่ร้าหมองกู้ใจคีดเล่าก็ได้ทําได้หมดเลยร่าทัาเปลือกเที่ยวเหมือนกันเดียวกันนั่นมีสตินะพารุษาน กิเลสอะเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะรเกิดขึ้นรู้ทันศีนมันจะเกิดขึ้นอัตโมัตแล้วถ้าเราไปรู้ทันจิตที่ฟูส้สร้างก็เป็นกิเลสตะกูลโมหะกิเลสตะูลมหาจิตที่ฟุง้งร่านรู้ทันจิตฟุกสร้านรู้กันจะได้สมาธิที่ถูกต้องต้อาสุด น, นะเนี่ยคือทางรอบที่พวกเราจะต้องมีส่วนรูปแบบของการปฏิบัติแล้วนะ่ะก็ไปเลือกเนใครถนัดรูปแบบไหนก็ใช้รูปแบบนะั้น ใคอยากแต่งชุดขึ้นเมื่องก็แต่งไปใคอยากแต่งแบบฝรั่งก็แต่งไปไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ตัวคนแต่งนะเราคนน่าทางนักเกียรตนั่งแต่งชุดขึ้นเมื่อสวยเลยรูปก็สวยแต่ชุดตัวมันักเกียรติหรือว่าแต่งชุดสาตนหรูหราตัวนักเกลียแต่งอย่านี้ก็น่าเกลียดยู่นะงั้นตัวรูปแบบของการปฏิบัตินั้นมีประโยชน์จต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดตัวชี้ขาดคือจิตนี่ ถ้าเรามีสติได้ก็ศีลจะเกิดสมาธิจะเกิดอย่สมาธิวิธีทำให้เกิดสมาธินนรูปแบบให้เกิดสมาธินับไห้ทั่วจะทําให้เกิดสมาธิสมาธิถ้าจะใช้ดิสโวคนใช้อารมณ์ปัญญจะได้ถ้าคุดโตคุดโตไปใช้อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นรู้เท้ากองยกไปรู้ลมไหยใจไปไม่รู้รู้จะรู้ดูจิตที่เป็นผู้รู้นั้นเพื่เห็นจิต ก็จิตจะไปนะดูเขาไปอีกเลิอกออไปนะก็จะมีความไม่มีอะไรอย่างนก่น า, ารูปไปพเพืเ่อนะรูปรูปแบบอะไรก็ได้เราที่เราถนัดทำอะไรไม่เปนเลยนไปนะพุโทโธพุโทโธไปสวนมนต์ไปในใจน้งโมตัสสะไปเรื่อยๆแล้วไปรู้ทางเวลาใจเยียวใกจิตทุกวันทุกเราควรจะแบ่งเวลาให้กับชีวิตบ้างนะ วันๆเวลาไปทำมาวิกินชั้งหดเลยวันๆในเวลาไปหลงไปหลงโลกทั้งมดเลยไม่ได้เวลามาพัฒนาจิตใจแต่เวลาถว า, ายพระพุทธเจ้าบ้างวันหนึ่ง15นาที20นาทีไหว้พระสวดมนทํานนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้ว ร, รู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้แล้วจิตเป็นเพ่งก็รู้จิตเป็นชิดก็รู้ฝึกอย่ี้บ่อยๆสมาธิที่แท้จริงจะเกิด สมาธิที่แท้จริงเกิดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเปิดสวิตช์ในตัวเองขึ้นมาั่นเหมือนตื่นขึ้นในชั้นแรกในขณะที่ตื่นขึ้นชั้งแรกนี่ยใจหายเลยก็ตายระไวตลอดชีวิตที่ผ่านมานี้นก็ตื่นไม่เคยตื่นเลยมันตื่นแต่ร่างกายใจมันฝันตลอดเวลายใจมันไม่ใช่ผู้ตื่นะใจเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ลู้ผู้แใจผู้หลักผู้ฝัน ถ้าเรารู้ทานจิตที่หลเป็นจิตต้องรู้ทานจิตที่เชื่องไปไม่ได้บังคับว่าห้ามเชื่องให้เชื่องเรารู้จำไว้นะอย่าไป บ, า บ, บังคับว่าห้ามเชื่อ น, นะถ้าบังคับแล้วก็ยิ่งหนาเป็นตัวรู้ที่ไม่ดีถ้าถูกตั้งถูกเชื่อเรารู้เชื่องแล้วรู้เนี่ยจะได้ตัวรู้ที่ดีถ้าเป็นตัวรู้แล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายที่จะก้าไปสู่ความพ้นทกคือขั้นเจริญปัญญา ลาทํามีศีลลำพัามีสมาธิได้ความสุขจากศีลได้ความสุขจากสมาธิระดับความทุกข์ย่างวแต่ไม่สามารถระดับความทุกข์รับความทุกข์ให้สิ้นได้วันจบของความทุกข์อยู่ที่ใจเราที่เป็นโง่เนี่ยแทนไม่มีสติไม่มีปัญญามันไม่รู้ความจริงของรูปนามมันเห็นว่รูปธรรมนามธรรมเนี่ยคือตัวคู่ของคู่แทนกุฏิภาพแทนชอบใช้ตัวคูของคู สุภาพาเลยตัวดีชั้นของดีชั้นเนะี่ยตัวเรามีตัวเราความไม่รู้นะี่มันให้รู้สึกว่าคือเราจริงๆแล้วเราต้องทำลายความไม่รู้ศัตรูของเราที่แท้จิตไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่รัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้นะไม่ใช่ฝ่ายนั้นฝ่ายนีย้ศัตรูที่แช้จริงของเราคือความว่มงในะใจเราความไม่รู้ในใจงเรา เราต้องมาพิดใจเราให้เป็นผู้รู้แคนะ่นั้นขั้นแรกก็รู้สึกตัวเขารู้สึกตัวนะก็ามาคอยดูกาทํางานก็ดูใจทํางานเพื่ออะไรเพจะได้รู้ความจริงของกายของใจการรู้ความจริงของกายของใจนะมีหลายระดับความรู้ความรู้เป็นขั้นข้นขนนนางบปเริ่มต้นความรู้เริ่ต้นจะเด่นมากรา่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งเลย ความรู้ันที่หนึ่งซึ่งพวกเราเอย่างไม่มีถ้าเราได้ความรู้ขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเมื่าได้ปริญญาได้ได้เป็นพระโสดาบันความรู้ขั้นโสดาบันพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องวางดับเป็นธรรมดาแล้วท่านไม่ได้รู้เรื่องอื่นไม่ได้รู้อะไรคิลึกพั่นหรือว่าผีมีมเปรตมารหรือ ย, ยังเ น, น, นี่ยสุดทุกแล้วเนี่ย เรรมามาไม่เห็นถ้าโสดาไม่ได้รู้อะไรอย่างนั้นโสดาบ้นรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็แบบคำว่าสิ่งใดคืออะไรอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือรูปกรรมนามธรรมนี้เองคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือรูปกรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเดี๋ยวพวกเรามาเห็นว่าร่างกายนี่คือตัวเราจิตใจนี่คือตัวเราจะเห็นเบื้องต้นจะเห็นอย่างนี้นเะเป็นทุกคนสัตว์ทั้งหลายก็เห็นอย่างนี้หมดบุคคชนทั้งหมดจะเห็นอย่างเดียวกัน จะเห็นว่ามีตัวเราจริงๆวิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราฟังให้ดีนะหลว่าใช้คำว่าความเห็นผิดว่ามีตัวเราไม่ได้ทำลายตัวเรานะเพราะตัวเราไม่มีมาตั้งแต่แรกครับมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราทำลายมิจฉาทิฏฐิว่ามีตัวเราการจะทำลายความเห็นผิดนั้นทำได้อย่างเดียวคือเห็นให้ถูกเมื่อไรเห็นถูก มื่นั้นก็เริ่มเห็นผิดเมื่อไรเห็นผิดเมื่อไรก็ไม่ได้เห็นถูกก็ง่ายง่ายแค่นี้เองแต่ว่าเราเห็นผิดตลอดเวลามันเกิดกากการที่หมายรู้ผิดติดนะอย่างเรามีความหมายรู้มีสัญญาหมายรู้หมายรู้ว่านี่คือตัวเราเื่อสัญญาที่ผิดหมายรูล้ลงไปว่ากายนี่คือเราใจนี่คือเรารู้สึกไหมเราสําคัญมากนหมายว้านีกคือเรานี่คือเราอาศัยสัญญาที่วิปรายสัญญาที่หมายรู้ผิดเนะี่ย จะนําไปสูก่การคิดที่ผิด <barbecue> เรียกว่าจิตตะวิปา萨คิดอะไรคิดเกีับเราอย่างนู้นเราอย่างนี้เราจะทำนี้โน้นเราจะได้ทํานี้มีเราตลอดในคิดแต่ได้เราพอคิดมากๆนะก็เกิดคิดผิดวิปรา萨ขึ้นเกิดความเห็นผิดก็มันย้ากับตัวเองตลอดเวลาว่ามีเรามีเรานะก็เกิดความเห็นผิดว่ามีเราขึ้นมาแล้ววิธีที่จะทําลายความเห็นผิดว่ามีเราอยู่ที่การมองใหม่เป็น่ยนมุมม แทนที่จะบอกว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเรา น, นั่นเป็นสัญญาที่ผิดพลาดเรามามีสัญญาที่ถูกต้องมารู้สึกโดยกายเห็นหว่าตายเนี่ยไม่เชี่ยงไปไปไปเป <c oughs> ็นผู้เป็นนัมธรไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่เราหรอกเพราะไปเกอะไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราหรอกเพราะมันถูกบีกคั้นอยตลอดเวลาให้แตกสลายไปมันไม่ใช่เราหรอกเพราะเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าไปหมายรูปนี่ให้ผูกอาศัยการหมายรูปถูกในรูปกรรมนามธรรานั่นแหละ สุดท้าจะเกิดความเห็นผูกขึ้นมาว่าเราไม่มีจะเกิดเราไม่มีขึ้นมายันตัวสัญญาณเนี่ยตัวสําคัญนะในหลวงพอกกบ่อนไไม่ได้สอนอถ้าวเขาจะจตัวสัญญาณเป็นตัวที่ลำเอียงสอนจะให้เราดูรูปใช่ไหมดูเวท น, นาดูสังขารดูจิตม น, นี่สอนอนี้เนี่วันนี้พวกเราชาวเคียนใหม่เนี่ยหรือจัหวัดใต้เคียนหน้าตาฉลาดขึ้นกว่าก่อนแล้ว จิตสบงบจิตผ่อนใส่บอกแล้วเนี่ยระหยุน์่ายรูปใช่ไหมจิตสงกจิตสบายจิตระนี้มาฟังธรรมะที่กระนี้เพื่อแต่แต่ที่จะหมายจิตว่ากายนี้คือเราใจนี้คือเรามาหมายใหม่พอรู้สึกเอาใหม่รู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่เราวิธีอย่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเนระิ่มต้นดูว่ามันไม่เจียมก็ได้ดูว่ามันถูกปิดคั้งอยู่ก็ได้ดูว่ามันบังคับไม่ได้ก็ได้ อันน <wi> ีจังท mm ุก hmm. ขังอนัตตาดูกายดูใจให้เห็น so, อ kind of ันิีจังทุกขังอนัตตาคือจะเป็นวิปัสสนานะถ้าไม่ได้ดูกายดูใจเป็นอันนีจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นวิปัสสนาตัวที่จะเป็นช่วยให้เห็นไตรลักอันนีจังทุกขังอนัตตาคือตัวสัญญานี่ยดังนั้นเวลาทำวิปัสสนาต้องมีสัญญาไม่ใช่ตับสัญญาถ้าดับสัญญาก็จะเป็นเป็นผล่รูฟักทนะวก็เข้าที่ราสมบัติอีกทุพวกนั้นเดินปัญญาไม่ได้ ถ้าสารีบุตรท่านบอกนะก็ทัางในสมาธิแนวภาวนาสมาิถ้าเป็นสัญญาสมาบัติ็นสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่เนี่ยทำวิปัสสนาได้ดังที่สัญญาได้สัญญาเนี่ยไม่ใช่เจ็บแต่สัญญาเนี้ยเป็นการหมายเป็นการหมองเป็นมุมมองของจิตมองออกมาในกายมองออกมาในใจแค่เห็นเลยในเป็นของไม่เชื่ยมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรา อะไรที่เรียกว่าไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเรียกว่าไม่เียงของเคยมีแล้วไม่มีเรียกว่าไม่เที่ยงอะไรเรียกว่าเป็นภูมิของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกลังถูกบีบคั้นให้ดับไปเรียกว่าเป็นภูมิที่ถูกบีบพันให้สลายตัวไปของที่เป็นอนัตตาเป็นยังไงหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็เกิด <Yes. S 1> หมดเหตุมันก็ดับบังคับมไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็ น, ปนตัจจะนี่ก็เรียกตัวอนัตตา ลำพังพวกเราปฏิบัติเนี่ยเห็นหน้าลิจังก็ได้เห็นทุกขัก็ได้เห็นหนักตาก็ไดนะ้แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันดูง่ายๆนะดูความเคลื่อนไหวดูคว า, า, ามเปลี่ยนไปสมปัญหาที่ง่ายที่สุดเลยนะในสําหรับคนยุคเราเนี่ยคือการไปรู้ทางความเปลี่ยนแปลงของจิตสำไมหลวงพ่อไม่ได้สอนยึดกายบางคนหลวงพ่สอนอยึดสายคนที่ยึดกายได้ดีต้องสรงชาตต้องจิตต้องสรงชาต อย่าใจเสนอไม่ทำได้ไม่ส่งสมาธิได้มมีสมาธิดีออกจากสมาธิมาคือไปดูจิตจิตจะว่างมากไม่เยอะให้ดูอำนาของสมาธิันนี้ทำให้ใจนีไม่ใหญ่ก็คือกายดังนั้นการยานิพพัฒนานี่นะเหมะกับสมถะยานีสหรือคนโชาติจิตตาวิปัสสนาเนี่ยบอกกับพวกวิปัสสนาอย่างนี้ทำวิปัสสนาไปได้ก่อนแล้วฌานสมาธิจะเกิดทีหลัง พวกเราแลนักตาพวกเราส่วนใหญ่อนยุคนี้อย่าไปพูดเรื่องฌานไหยนะโอกาสยากมากเลยที่จะเข้าฌานมันมีสิ่งยั่วยัอารมของเราตลอดเวลาจะตุ้นเราตลอดเวลาให้ใจเรากระชอบไปกระชอบมาแค่นั่งรอดไปตามถลอดน้ำเพเห็นป้ายโฆษณา5ว้อยป้ายนะป้านี้อ้นี่ก็อยากได้เอ้นี่ก็อยากได้เฮ้ี่นาเ่วเนี่ยนะมีกระชอบไปกระชอบมาอย่ตลอดที่เข้าฌาได้ มันจะต่างกับรื่องรูบาาจารย์นะรุ่นครูท่าครูแก่รื่นก่อนแล้วนะในบ้านเรือนมั้วนีอะไรเงี้ยบๆมีแต่ฝ่ามีแต่เขาใจสุดแน่จะบอกผมไม่ยงหรอกนไม่มีอะไรมาช่วยพวกเราสิ่งยั่วยวนเยอะหนึ่งแล้วก็เพิ่มสิ่งยั่วยวนให้ตัวเองนะเล่นเฟสไลายเล่นอะไรย้อนแย้งเลยวันวันนะวันวันเนี่ยเสียมนุษย์สำคัญนกเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนนี่เห็นคน อยู่ถนนก็ปวดนั่งรถเขาไม่ได้กับเองทุกวดนะแล้วสติสมาธิม่นจะเหลือหรืออกไปทัป้งนอกมคุ้มตลอดที่ทำฌานไม่ได้ถ้าทำฌานไม่ได้นะกลัมาถานที่พระพุทธเจ้าประสานไว้ให้ก็คือการดูจิตของเราเองอย่าไปดูจิตคนอื่นนะดูจิตคนอื่น ง, ง่ายมากเลยอยากรู้จิตตัวนี้เป็นยังไงจิตตัวนี้เป็นยังไงนะ สนใจหลายอ ย, ย่างเพราะรู้ว่าสิ่งยากอะไรรู้คนอื่นอะดูให้จับผิดคนดอื่นจนับได้เนาะจับผิดตัวเองหูายากที่สุดเลยน่าจะสนใจไปดูคนอื่นแต่เจริญปัญญาที่น่าที่สุดเลยที่บอกกับคนส่วนใหญ่ในยุคนี้นะแต่ส่วนน้อยก็ยังต้อง ท, ทําสมาธิต้องดูตายนะถ้าคนส่วนมากในยุคนี้พวกฟุ้งซ่านนะเจริญปัญญาและการดูจิตแหลการดูจิตทํำยังไงการดูจิตไม่ใช่ไปดูจิต พูดภาษาแปลกๆนะดูจิตไม่ใช่ด so, ูจิตนะคาว่าดูจ so, ิตในจริงๆไม่ค่อยดีหรอกที่จริงเราไม่ได้ดูจิตเพราะจิตไม่มีอะไรให้ดูจิตไม่มีรูปร่างก็ดูเปันไจ้ไงใหญ่ดูขอไม่มีรูปร่างเนี่ยนอะไรกันแน่เนี่ยคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์ถ่ายทอดมาที่หลวงพ่อนะและที่หลวงปู่มั่นถ่ายทอดที่หลวงปู่ดูลไม่ได้สอนให้ดูตัวจิตตรงๆเพราะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูต้องผู้เรียนสอนเอว่า อย่าใช้จิตแสวงหาจิตถ้าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะั้นไม่ใช่จบแใ่ไปดูตัวจิตนะที่ว่าดูจิตดูจิตน่ะเสวีใจที่สอนดูจิตกันยุกคนี้นสอนไปดูว่าแต่เจ้าลงไปให้บ้างว่างบอกดูจิตเนี่จิตเราักสอนว่านี่แหละบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้นานๆสมมติได้โศจาระตะตาคาราชาไม่ใช่หรอก ถ้าอยากได้ธรรมะนะอยากเก่นาจริงถ้าอยากง่ายเลยรู้ความรู้สึกถ้าผู้ขษาไทยยุคนี้นเพราะเวลาที่หลวงป่มั่นสอนหลวดูลย์น่ขาสอนด้ประโยคนี้บอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาอะไรที่ว่าสังขารความรุกปรุดีปู่ชั่วนั้น สัญญาเป็นตัวไปหมาถ้าเราจะเรียนให้เป็นยศหรือที่มีโยมีสนาบตัวดูจิตเนี่เราจะดูสุขทุกข์ที่เกิดกับจิตก็ได้ดูดีชั่วที่เกิดกับจิตก็ได้แล้วก็หมายรู้ลงไปในแง่ของความเป็นใจรักดูสุขทุกข์ดูย่างไงรู้จักความสุขไหมใครไม่รู้จักความสุขมีไหมใครไม่รู้จักความทุกข์มีไหมรู้จักหมดเลยนะ รู้จักภิปัาเพียนมเลรู้จักลกไหมรู้จักหลวมไมรู้จักหลงไหมรู้จัก้านรู้จักปดรู้จักดิบฉาไพยาบาลเป็นหใครเคยพยาบาลมิที่เหลือไม่เคยเลยหสาธุโกหกไใครเคยปล่าเพ็ิดบ้างใครเคยพูดเพลิบ้างยกเดคนหนึ่งแต่ใบก่อน เราต้อเป็นเหมือนกันแต่เราเป็นโยมเรายังไม่ก่อเราขามีเหมือนกันพูดสนองพูดเล่นนี่เราสามารถนะพูดเพอเจ้อเร้สามารถทุกกลิ่นทุกชีวิตเรารู้จักความสุขความทุกข์เราก็รู้จักมันจะยากอะไรต่อไปนี้นะใจเรามีความสุขให้รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ ใจเราโลกก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใจเราหลงก็รู้ใจเราฟุกงซ่านก็รู้ใจเราบดบุ่กก็รู้เราฟุ้งใจไหไม่ใช่เจ้าสอนนนไม่ใช่หลว่อสอนไม่ใช่หลวงูดูหู้านะไสอนอันนี้เนี่คจะเจ้าสอนท่านสอนใหนท่านสอนหดกพที่สูตทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่เจ้าสอนใช่หมให้รู้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู่าไม่มีโทสะ โดยพระที่เฉลยทั้งหลายจิตทุ่สร้างให้รู้ทุ่สร้างจิตปะปู่ให้รู้ปะปู่ให้รู้ก็ไปรู้เพื่ออะไรรู้ไม่ใช่เพื่อเอาดีรู้ไม่ใช่เพื่อสุขรู้ไม่ใช่เพื่อสงบพวกเราใช้รู้ที่ต้องการข้ามโลกใี้ได้อย่าไปหลงอยู่แค่ความดีความสุขความสงบความดีความสุขความสงบเป็นแค่ผลปล่อยได้สิ่งที่เหนือมันมีให้เรารู้ความจิต สิ่ที่เราต้องการเนี่คือเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ฝึกรู้กายรู้ใจเพื่อให้ดีให้สุขให้สวบท่างไรก็ดีไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสบบรก็ไม่เที่ยงไม่ต้องเป็นองต์ปองไม่เที่ยงให้เรานความจริงนะอย่างเรารู้จิตดูใจเราให้เราเห็นได้จิตเดียวก็สุขจิตเดียวก็ทุกข์จิตเดียวก็ดีจิตเดียวก็ร้ายเดียร่เปลี่ยนเปลี๋ยหลงจิตไม่เปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนแรกด้วยอะไรเปลี่ยนตามเมื่อไรเปลี่ยนตามสายกระทบตามคักษรร ตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนใช่ไหมจิตก็เปลี่ยนไปแต่เราไปคิดจิตก็เปลี่ยนไปอย่างตาเราลองเห็นนะเราไปเห็นของสวยของงามใจเราก็ชอบมีความสุขขึ้นมามีราคาญชอบไปเห็นของน่าเกลียด น, น่ากลัวนะใจก็เกลียดมันไม่ชอบเลยเพรอยากเห็นเห็นทุกเห็นแล้วรูุ้้งใจเห็นแฟนเราไปเจอเด็กก็ดืน่นรุ้งใจเราทุกขก็เกิดขึ้น ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันอาศัยทัศน์เกิดขึ้นอาใส่ทัศน์เกิดขึ้นอาศัยจกระทบตาเรามองเห็นจิตเราก็เปลี่ยนโอ้เราได้ยินเสียงจิตเราก็เปลี่ยนคนที่ชมใจเราก็พองอย่างคนทีด่าใจเราก็เปล่นดปวดปเนมนีด่าเื่อเรารื่นเริงใจอ๋อมันเสื้อนเรามันด่าเล่ยๆแล้วให้ฆ่าไม่เหยือนใจมีควาสุขถกดาแล้วมีความสุขาะบางคนเนย แบบคนเง้ชมจัตรูราและแก้งชมเราวันนี้เธอสวยจังเลยแต่งตัวสวยจังเลยเรารู้ว่าอีเนี่ยอ่อนน้อเอาไหนมันแก้งว่าเราทั้งท่าที่มันพูดดีนะแต่เราอย่าเกิดโผงาได้เคยเป็นไหมถ้าที่มาพูดดีกับเรานะเราโกรธเคยเป็นไหมเออเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเห็นมันเปลี่ยนไปตามการกระทบแล้วเราสั่งไม่ได้ด้วยเมื่อมันกระทบอารมณ์นะจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราลึกไม่ได้ จะเกิดกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกมันเมื่อตามองเห็นเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลกเริดหลบให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงโลกเกิดบก็ไม่เที่ยงเราดูตัวจิตตรง่ๆไม่ได้วาจิตนั้นมองไม่เห็นเราก็อาศัยสิ่งที่ด้วยจิตสิทธิ์ธรรมะที่เกิด่วมกับเจ็บเท่แหละพวกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเท่าไหร่ ทำให้เราสามารถจำแนกจิตได้อย่างจิตที่สุกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหายไปโมจิตที่สุขเกิดแล้วดับไปเห็นไหมจิตนี้เกิดดับได้จิตที่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเราะว่าจิตที่ทุกข์นี่เกิดดับได้จะเห็นความเกิดดับของจิตนะแต่เห็นสถานการเกิดดับของเจตสิกจิตกับเจตสิกนั้นเกิดร่วมกันเสมอนะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะงั้นเราอาศัยการรู้ความเกิดดับของ ความสุขความทุข์ความดีความชั่วทั้งหลาจะทําให้เห็นความเกิดจากของจิตแม้ตูปอาจารย์ไม่ได้สอนให้ดูตัวจิตตรงๆนะแต่ว่าดูจิตดูจิตให้ดูความเกิดจากของจิตผ่านทางเวทนาบ้าวภัยสังขารบ้าคความศรัทธาเวทนาคือความสุขทุกข์เท่าไรความสุขความทุกข์หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันความดีความชั่วหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันแค่หาดรู้ไปรู้ไปทีแรกความสุขเกิดขึ้น เราอยากให้อยู่ น, นานๆความสุขหายไปเราเสียดายแล้วก็อยากให้มันกลับมาใหม่ก็ให้รู้ทันความสุขเกิดขึ้นเราพอใจให้ร า, าคะเกิดแล้วเราพอใจมันมีความสุขเกิดขึ้นร า, าคะก็จะแทรกร า, ากคะแทรกที่มันพอใจพอมันหายไปเสียดายเสียดายเป็นโภสักจิตที่มีราคะกลับไปแล้วไปเป็นจิตที่มีโภสักขึ้นมาแทนอยากให้มันกลับมาแยากได้ อยากได้เปื่โไปดูพักใหม่ตัวนึ่งเนี่ยมันจะหมุนอยู่อย่างนี้นะปาคาโรซาโมงอะไรไสุขทุกข์มันหมุนอยู่เนี่ยเวลาเราสัมผัสอารมณ์ที่มีความสุขราคะคือความพอใจก็แทะเวลาเราสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ถูกใจโผสัมก็แทะเวลาเราหลงไปในอารมณ์โมหะก็แทะมันเกินเปในอารมณ์โทนัสแทะให้เราไปรู้นะรู้ความสุขความทุกข์ ครูครูอสอนด้วยว่าคสอนที่แทรกเข้ามาในใจและเราก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดเราดับได้วันใดที่เราเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดเราดับได้เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกทั้งโลกนี่แหละสี่งใดเกิดสี่นั้นก็ดับทําไมเห็นที่จิตดวเดียวนี่เองก็เข้าใจโลกทัก้งโลกได้เพราะจิตนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเลยถ้าเข้าใจตัวนี้ตัวเดียวก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจยากที่สุดกับืิจิตเนี่แหละ กุศลมันก็เกิดที่จิตกุศลมันก็เกิดที่จิตมรรคผลมันก็เกิดที่จิตนิพพานก็รู้แจ้งโดยจิตงั้นถ้าเราคนรุ่นเรานี้นะั้นเข้าสานไมเป็นก็ดูจิตดูใจไปไหวไปเลื่อนแต่ต้องถึงสี่ห้าตั้งใจถือสี่ห้าวละห้าก็มีสติไปรู้พันกิเลได้เกิดรู้หันไปเรื่อยได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาก็คื อ, คอ ถ้าราคะตัวสามโมหะเกิดระลึกรุ่นสีนันตนมั่นเกิดความพุ่งสร้างเป็นโมหะชนิดหนึ่งความพุสร้างเกิดขึ้นระลึกรุ่นได้สมาธิเระเห็นในยกุศลมากุศลเกิดกิเลสอะไรเกิดก็ตามมาเกิดแล้วกดับทั้งส้นสุดทุกเกิดระดับทั้งสิง้นอันนี้ได้ปัญญาได้ปัญญาคือได้ความรู้ถูกและความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับมีไห้ความความสุขที่ไม่ดับมีไหมไม่มี ความทุกขที่ไม่ดับต้องมีใช่ไหมแค่แท้ใจเราเห็นตรงนี้นั่นเวลามีความสุขเราไม่หลงกับเลยเรารู้ว่ามันของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่เศร้าใจเรารู้ว่ามันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็าปแค่เฝ้ารู้เฝ้าดูเราเปลี่นะปัญญาเป็แคนทะรู้เราเปล้วเห็นแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้นั้นดับทังชิ้นนี่เป็นคำถามที่ง่ายสุดยอดกันนะง่ากว่อนี้พวกเราจะเรียนอะไรท่าดับ ก็เียนหลอหลอกคนไปกำใจว่างๆก็ไม่มีฐานนิพพานหรอกยากได้ดนิพพานก็เห็นไปไสิ่งใดเกิดสิ่ง้ดับอันนี้ได้โสดานะระดัขั้นที่หนึ่งเป็นทศททกัณฐาก็ยังเห็นแต่เดียวันนี้แหละต่มาปัญญามันแก่กล้ขึ้นมันเห็นความจริงกายนิพพิจตัวภูม แล้วมื่รเห็นกายเป็นตัวทุกขนะ์เราสิ่งที่ประกอบกับกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือส่วต่อกกายทั้งหมดตาก็เป็นตัวทุกข์ขนาดตาจะเป็นตัวทุกข์เราไม่หลงในตาก็ไม่หลงในรูปไม่หลงในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้วยเราไม่หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามลปะปฏิฆาก็ไม่มีน่นาปล่อยวางตายได้นะมันจะไม่เกิดการละปฏิฆาขึ้นมาอีก การบราคารปฏิฆาไมเกิดนะเป็นภูมิธรรมเครื่องรั้คาะแล้วท่านสุดท้ายนะมาแตกต่ากันที่จิตเนะีงจะผู้ทุชนจะเป็นโสดานะี่พระโสดาเนะี่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะแ ต, บาาต่บางท่านไม่เห็นตรงคนบางท่านไปเห็นอย่างหนึง่งแต่ว่าจิตมันรู้ซึ้งเลยนะตัวเราไม่มีในการเห็นใจนี้ไม่มีเราเนี่กได้โสดาตัวที่เห็นยากที่สุดไม่ใชกายแต่ที่เห็นยากที่สุดอือจิตอย่างร่างกายในบางทีเราต้องสึกไม่ใช่เรา อนนอกศาสนาพุทธเขากรู้สึกได้พระราใา่วิชาเราจส่าการเฉลสติเริญกัญญาอวิชาสนากรร ม, ม, ม, มจนเก่งนี้ไม่มีเราในี้ไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราได้สดา้นสุดท้ายเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกเรียกว่ารู้ทุกันรู้ทุกแจ่แจ้จิตบาลจิตถ้าจิตบาจิตสตัวเดียวก็คือวางขันธ์ทั้งหด ขทั้งหมดนั้นเกิดจากจิดตดวงเดียวใชยได้ยินบทนี้ไหมวิญญาณนะปัจจยา น, นามว่ารูปเอาใครเกิดส่วนได้ไจิดตดวงเดียวตัววิญญานี่นะจิดตดวงเดียวในนั้นสร้างนารูปขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยลอยลตัวเดียวนะเพราะวิญญาณดับความดับไม่เหลือขางวิญญาณนามรูปก็ดับไม่เกิดอีกหน้าที่จิตคือตัวแต่กต่างเมื่อไหร่เห็นจิตไม่ใช่เรา ก็ควรจะเปลเป็นปุถุชนถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ควรจะมาตัดควรจะมาตัดสงสารต้องสู้นะนี่สองแบบเทยบกันแล้วนะต้องสู้าถ้ไม่สู้ก็ไม่ทยาง้วนะดอกแจกแจงแล้วยิบยิบนะตั้งใจนะรักษาสี่ห้าใครคิดจะรักษาสี่ห้าตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปว่า ยกมงินไม่โดนสิถ้าสีน้ารักษาไม่ได้ไม่ใช้ได้ครับก็ต้องรักษาถ้าบอกไม่ยกเงอเลยเพราะว่าจะรักษาสินเลาอง้อยยี่ส็ก็รู้สินคาเนี่ยยังอ่าเลยนะสินค้าเนี่อยู่ในวงมากเลยระสัาคัญนีสัมมาวาจาสี่ข้างสี่เนีสัมมากรรมตานงสองสามสัมมาชีวนั่นเนี่ชีวิตแบบไม่เปี่ยนตัวเองไม่เป็นคนเดม สิ่งเหนี้ต้องมีมีศีลนะทุกวันต้องปฏิบัติบูชาองคุตเจ้าแบบ่งเวลาไว้15นาที20่สนาทีก็ได้ต้องทําป่วยหนักลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้นอนปฏิบัติเราควรเรห้ามนอนปฏิบัติไม่ได้อยา่าไปนอนปฏิบัติลำบากเวลาเข้าส้วมก็ห้ามปฏิบัติถ้าเกิดตกส้วงตายอ่แต่ไปอภัยสิใช่ไหม ตอนไหนก็ไม่เว้นการปฏิบัติให้มีสติให้ไม่ขาดช่วงไหนรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปรู้เดินรู้ตัวไปด้เลยปัญญามันจึงจกเกิดการปฏิบัติมันเหมือนปเรือจวนน้านะปลายแล้วก็ถอยปลาแล้วก็ถอยปายแล้วก็ถอยก็จะได้อะไรไปใหญ่ไม่รอดนต้องทนทนอ่ะทุกวันต้าปฏิบัติในรูปแบบไม่ขอมากหลอก15นาที20นาทีเท่านี้เองรับสั่นไหว้าวสวดมนชั่น่อยจะเป็นนับหนวยก็ยังไหวดูเลย สตีกระบีกระอบอะไวรวก็ไหว้ครูเราก็ถ้าไหว้ครูใจคิดถึงพระพุทธเจ้าก็คืองพระธรรมถึงพระสงฆอรองอ่อนน้อตั้งใจสาบไหว้พใจก็ได้สมาธิ ท, ทัาต้น้นหมาถ้ากับพัดเป็ น, นจะได้สมาธิทันทีเลยเวลาที่เรากราบต่วไปแทบพืนเนี่ยทำใจองเราเหมือนพระพุทธเจ้าเรียท่งยืนอยู่ตรงน้า เราราบลงแคบขาท่านทำใจอย่างนี้เลยนะสมาธิได้หักกันมากเลยเกิดปีติเดือสุขขึ้นมา ท, ทันทีเลยเง่ายๆโอ้โหถ้ารู้จักนะถ้าไม่รู้จักนะทาําบากต้งไหว่กระดิกที่เดียวก็บาปแล้วอ่านซ้ายทีก็บาปอานขวาทีก็บากถ้าพอร์น า, าเป็นนะอ่านซ้ายก็บนอ่านขวาก็นะดนนั่นวนไปหมดเนะลยฉะนั้นทุกวันทำในรูปแบบไหว้าสว่วนโอมเสร็จแล้วก็ลงองบนปฏิบา เรามาปฏิบัติเนถ้ามี ส, ต, ส, มสมมมมติอยู่วันไหนฟุ้สร้างทําความสงบอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้เนื้อรตัวไม่ให้ขาดสติวันไหนสงบแล้วก็หัดแยกธาแยกขันธดูกกายดใจเป็นคนลวนลก็ายมันเน่าใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหัดแยกเลยหรือแยกชกแยกทุกข์ความสุขความทุกข์เกิด ข, ขึ้นในกาย ไม่ใช่รางกายก็ไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตก็ไม่ใช่จิตอีกสิ่งที่จิตจะรู้เข้าโลกกลบหลงเกิดขึ้นไปแยกเวลาไปอีกแค่เห็นโลกกลบหลงกับจิต ก, ก็เป็นโคล่กแล้วจิตเป็นคนจะรู้ว่าโลกกลบหลงมันแยกไปด้ย ว, กดวดยวกันพอเราแยกท่านแยกสันเิแล้ถ้าก็เดินปัญญาได้อะไรขั้นวิปัสสนาได้ไม่เเห็นแต่ละท่าแต่ละสันนั้นมาแล้วไปมานล้วไปความโศกมาแล้วไปความโลภมาแล้วไปความดีมันไป เดี๋ยวพวกเรนะาทำความดีชักนำให้มคนฟังเทศแต่เดี๋ยวเถอทิเล่เกได้ชักนาให้หนีกินข้าวแล้วชักอยากกินข้าวแล้วอ่นี้ใจเหอยากกลับบ้านอยู่บ้านมันจะอยากมาฟงเทศมาตว่ า, าก็อยากกลับบ้าน เ, เป็นกุศลบ้ากุศลบ้ า, บานะแทคลิกไปคิมาถ้ามันไม่ได้พรเวลาทำในรูปแบบ น, นะการสวดมนต์แล้วถ้ามันคนะุ้สร้างาความอสงบจสมถ ถ้าสงบแล้วสุดแยกธาตแยกขันธ์ธาตุขันธ์แยกแยะดูไตรลักทณ์ธรรมนินาไปเลยแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจําวันเนะี่ยอย่าไปหลงกล่าวเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าเราไม่ได้ทํางานที่ต้องจิตเป็นเวลาของการปฏิบัติได้ทัางหมเลยแต่ถ้าเราทำงานที่ต้องจิตคันทาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าสติสมาธิปัญญาเนะี่ยต้องไปจดจ่อทำ ง, งาน สติสมาธิปัญญาจะมาเรียนรู้ใส ร, รของกายของใจไม่ได้ก็ไปเรียนพลังนั่นเวลาทํางานที่คิดจะเขยกเ้นไปต้องทำมาหากินแล้วต้องทําไปในเวลาที่เหลือเวลาที่เหลือเนี่ยเก็บ ใ, ใ, ใจมาทำงานเก็ใจทํางานดูกายดูใจมาทำงานไปเรื่อยถ้าดูกายดูใจดูไม่ดูเรื่องดูความรู้สึกในใจอันเดียวก็พอแล้วเนะดินเดินบางมั น, น, น, น, น, น ม, ามาชนเรามีแมกเนตมาชนเร า, เราซู้สร้าง เราชวนเราร่วมเราโมโหโมโหร่วมโมโหถ้าสมัยความโมโหน้ำตากระหน่กินกว่หรือด่าเลยว่าคนมือไหวตอกมีนะ่นบอคนตอตตอไปแล้วพัดตดมือเพื่อนเคยฝึกเพื่อนไหม่แล้วรู้สึกต่าตอกขั้วนั้นมือกาลังเพื่อนในอะไรสันสติตดเฮ้อยากไปตอบเขาเด็กไม่ทำไหนดเพราะอะร จิตเนี่มันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายด้รับออเดอร์ของจิตัวก่อนยจิตัวใหม่เกิเชืดอันนี้ยังไม่จบนะที่เดกไนเคยไหมยุงกัดตเด็กเด็กไทยุงเป็นตั้งแต่แล้วขยงตบยุอยู่มี้หใจ้อยนะตจยุงยุงรับซับหน่อยเดียวประหาชีวิตเลยยุงขโมยและนีประหาชีวิต ทำให้ได้นะคือสี process, same, small, so ่ห้าทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเฉลยสติชีพจังหวะถ้าเป็นอย่างพวกเราดูความรู้สึกเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รสุขก็ไม่เทียงทกข็ไม่เชี่ยงดีไม่ที่ร้าก็ไม่เที่ยงดเดี๋ยววน่ก็ได้าใไ้ผลอไม่ยากเกินไปเขารีบขวานะเหมาะสมควรแก่เ สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอทุกท่านปรนมือและกราบกราบกราบกราบนรรมสการค่ะบเออจ้าหน้าที่ผมนี่ไปท า, างสมภารยเดี่ยววิปัสนาฉันคิดนะ ก็คิดนะครับแต่ว่ามัชอบทำมิจฉาฝายมัมชอบมันชอบทำสมาธนะ ม, าานะมันชอบพูดคแต่พยายามอย่าไปทำอภิญาถ้าไปก็คงไปได้นะฉชอบาามันช่วกางหลาวนี้มันไปทำอภิญาเนี่มันาเราส่ึงบอกว่าถ้าพูไปได้กไปกตินะไปไกิจาเป็นตัวแน แต่ว่ามันไมชอบรู้จิตมันเดินวางตัวนะั่นถ้าเราเมื่อไหรเอาไปรู้จิตคนเราจะไม่ค่อรู้จิตตัวเองถ้าเราจะไปรับผลไม่ได้อันนี้เป็นกับดักของมันมันมาลหลอกเราให้ได้ความรู้ความสามารถพิเศษรบรู้รับเหเ็นภายนอกเราจะไม่ยอมนนะ ท, ที่ใจ่ใจเราจะไม่ทนจะโบกผมาแต่ถ้าใจแข็งๆหน่อยนะตอนนี้ไม่สนใจคนอื่น กาดูของเราไปก่อนตอนที่ได้มาอนแดงนของพวกนี้จะกลับมาอีกเพื่อได้เห็นรลอดนะแล้วก็ในจดิโต้ทีผมไปทีไหนครับแบบราาเมืองศัทธาโทรศัพท์ก็แรงใช่ไหมก็แรงะครับไปดูตัวเองดูตัว่องเนี่ย แล้วก็ทนโดยพิธีแค่โดิสัยโดยจริตสหรัทำวิปัสสนาท่านเป็นพิธจริตนะชอิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นแล้ก็ยึดในควมคิดประมได้แต่ว่าของเขานั้นมชอบเล่นสมาธิชอบิดใจแงแขงที่สุดนเจริญวิปัสสนาว่าตาดที่ได้ไม่แค่แน่หวัอเรองมันจะกลับมาแล้ไม่หายหรอ ขอมันเคยเล่นมันก็ต้องมาเยงั้นเดี๋ยวไม่ได้รับผลแล้วมีแต่รีบออกได้นะออกได้บางทีก็ไม่แน่นะบางทีก็ออกไม่ได้ขึ้นไปต่อชูเทปเคยออกลงมาได้นะลงมาตุ๊บเลยทางาการจะาตองคืออะไรนะตื่นเต้นไหมตืนเต้นครับเพราะตื่นเต้นเลยเ้ิ่ได้บอก มันไม่มีเป็นฐานแล้ววิถีเ น, นี่ยสัญญาณเชื่อชสัญญาณน ด, ดสัญญาณันก็ชมหลวงพ่อถามอีกตอนนี้จิตเปนานหหรือจิตกระจายออกนอกกระจายออกเออเห็นไหมเริ่มดูดนะันหจักระจายออกไปจันต์กระจายออกไปทำอะไรดีถ้าจากระจายออกไปไปดู รู้มันนะบางทีมันก็กลับมาเองแต่ถ้ามกระจายออกไปรู้แล้วไม่ยอมกลับก็จงใจกจับมารู้สึกร่างกายถ้าจงใจรู้สึกร่างกายก็ยัไม่ยอมาย ม, ยอมายยอมาย่ไดนะ้ตลอดตลอดนะวางรู้สึกตัวจับให้อดหายใจใหายใจกลับเข้ามาน่กลับเข้ามาหาใจสักสองรท้าห้ามห้ามต่นสองท้าแล้วที่สาจะแน่นปุ๊บเลยแ น, นะนะ่นมากไป ให้หายใ จ, จีเดียวพอแค่นี้พอไมนะ่กับหใจกลับมาอยู่กับตัวเองใจอยู่แล้วสบายๆา ย, ายอแหแข็งไม่แข็งทเกินไม่เกินมันจะเกินน่งจากตือาจารย์อยู่กับตัวเองสะงขนเมื่อวานเห็นแนะกจเป็นโคราอหอกนเะออยกขันเป็นยกขันได้การรอาจะยากมัากมากเลยกว่าใจใจะตั้งมั่น ตั้งมันยากกว่าจที่จะแยกขันถ้าแยากขันได้แล้ดูขันมันทำงานอย่าให้แยกอยู่เฉยๆนะบางบบคนไ่แยกขันแล้วตัวรู้เด่นตัวเฉยๆ อ, อยู่ก็ชอยอยใช้ไม่ได้ถ้าต้องน้อ ง, น, อ ง, น, องน้องจิตที่มีสมาธิดีนะไปให้เกิดอยากพัศนะทุทามาัดูกายูใจทางานจะได้เกิดอยากพัศนาถ้าจะตอบนะดูปัจจุบันที่มันกไปได้นะอย่ า, อยาจองใจดูถ้าจะไป่ด้ ดูเราปัจจุบันได้ดูจิตและให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยอยู่ดูจิตดูเราปัจจุบันทำไม่ได้ทดูจิตต้องเป็นปัจจุบันสัตติหมายถึงสึกต่อปัจจุบันโปรดเข้ามาแล้วรู้ว่าโปรดนี่ยตอนกำลังโปรดเรารู้ปุ๊บเป็นแบบนี้ได้ถ้าจิตที่มีโทสะตัวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่ามีโทสะเป็นดียวจิตที่มีโทสะเป็นอนุสวจิตจิตที่รู้ว่ามีโทสะเป็นมหาอนุสวรรคจิต ก็เลยใช่มันไม่เกินได้เพราะฉะนั้นเหลือเรารู้รองเรารู้หอเรารู้เปล่านนั้นนะที่ผมดูปฏิภาณที่มันตกไปเนี่ยมนีพ่งไป่หถ้าดูแลใจแข็งอย่างนี้ก็เพ่งอูที่ใจแต่ถ้าเพ่งเมื่อหลายใจแน่ไว้นั้นต้าไม่เพ่งใจก็สบสบายของผมนี่คือถ้าเดินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดินอยเดียวไม่ได้เราเดี๋ยวเราก็นั น้อไม่ไ่ท <h Maybe training enables> <iros> ีนรูปแบบว่าช่รูปแบบเดินอย่างเดียวก็ได้เดินอย่างยได้ใช่แต่จะให้เก่งก็ได้เ้ายืนนั่งนอนทเกินป่วยได้เกินได้อยท่านอาจารย์สอนเลยท่านขาอะไรบุดออไป้าเดินได้ถ้า้องเดินเป็นอย่างเดียวนั่งไม่ได้ก็นอนไม่ได้เลท่านนอนตะแคงนอนติ๊กซ้ายติ๊กขวาก็อได้ ฝึกนั้นให้ได้ทุกทุกอินทรีย์อย่างปก n ิที่สุดแต่ว่ามันมีอินทรีย์อันหนกอันหนักใจเดินนองใเราเห็นรูปมันเดนใจเป็รตรูปาเป็นรใจเปะใช้ได้ต้องเพิ่มอะไรครับยเรยิี เรือเราฉลาดมากไม่ดีตอนนานจะดักหน้าดักหลังได้หมดพอจิตมันไปหนีเรื่อก่งมันจะเป็นอย่างนี้มีฉลาดขึ้ต่เราไม่ได้เรือเราจะเป็นแบบเรือซึ่งเรือ่กลับไับการหลวงพ่อครับส่งกันบ้าครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูกิเลส ต, ตัวมาณะก า, า, กาตัวกุฏิเห็นไหมคือคือผมเห็นหลองพ่อเคยเทศว่าถ้าเห็นนะมนจะ มันจะเห็นความน่าเกลียดของตัวหน้าตาคือผมเห็นผมรู้สึกว่ามันเฉยๆหรือว่ามันไม่ได้น่าเกลียดแจงว่าผมไม่เห็นจริงตอนที่เห็นเ่ยจิตเหมือนตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเป็นหมดแล้วถ้าจตเนนี่ยมันจะแฝงอยรู้สึกอะไรก็จะเฉยๆก็เริ่ไม่ใช่จิตธรรมชาติธรรมดาแล้วแหละก็จเห็นมันถูกข้ามาแ้ันหายไอันนี้เป็นกิเลสที่พอใครไปเห็นเขาก็รู้า เป็นส่วนใหญ่นะแต่ก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้เออร์อแบบนี้เวลาเห็นมันก็มันก็ไม่ถึงสับับหน้าเกียอะไรทั้งหมดได้เป็นไรคิวเท่าีน่รู้เท่กิน่เดี๋ยพยายามที่ส่วนนี้นะครับแล้วก็ต่อต่อทุกนรขอขอกระตงเพิ่น่ออย่ใจรอนดิใจเย็น ให้ได้ว่าเราภาวนะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าจะได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะแล้วแต่บุญแต่กรเมอย่ไปอยางได้อยากได้ไม่ใช่อย่โลกงอยู่ยังโลกงอยู่โล่เยอะเลยเราตัดสาบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องสอนจะคือต้องให้ส่วนบุญส่วนบุแลให้สมบนะได้ไหมประจักษาน อ๋อครับคุณแ้วก็แครับก็หนึ่งเดือนผ่านมาจิตมันมีความสดขึ้นแล้วก็เริ่มนอนขึ้นออช่วงชขึ้นแล้วก็จิตเหมือนจะมีแรงเยอะขึ้นมืนกัทีนี้ทีนี้เมื่ อ, อ, อสักประมาณปลายเดที่แล้วครับมัน มันไปเห็นจิตที่มันเคลื่อนออกจากขานแล้วก็เพื่อนกลับเข้าฐานอูเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าจิตมันให้ข้ามันก็มองเห็นว่าจิตที่มันออกจากขานเนี่ยมันมีความไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่้ยเหมาะอะไรเงี้ยครับจากนั้นมันก็เลยแตกแขนงไปหมดแล้วว่าจิตมันให้ข้าสภาว่าทุกอย่างเลยนี้แล้วมันยังคงให้ข่าอยู่มันกลายเป็นมันกลายเป็นทุกอย่างมัน มันมีค่าในใจเราตลอดเนี่ยคือหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับเเข้าเข้าขอขอขอรองนะครับคือเข้าฐานก็ได้ว่าไม่เข้าก็ได้ว่าอะไรครับต้องเข้าหรือ่าครับคอคือใจมันรู้สึกประมาณนี้นะครับเกยกับารให้ค่ายสต่างๆก็ช่วยลดโง่แล้วนี่ก็จิตก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยเพราะติดเรืองตรงนี้ไหย ตะกี้ี่แบบนี้คาตอนนี้มันืองมาแลเดินเป็นแล้วเป็นล้วก็ดูว่า่ที่ก็เป็นครับเขาไม่ใช่เราเห็นไหมเห็ครับดูไปเรื่ยเรืยจใจยอมรับแต่ในใจยังไม่ยอมรับเขาอืมยันตะกอบมีดิ่นแต่หลังหลังนี้ไม่ดินแต่ก็ไม่ยอมรับเฉยๆแต่้น่ไม่ยอมรับเรียกว่าดืนดือเฉยๆไหมครับให้รู้ว่าเรารูว่า่ที่ก็เป็นขา้าหน้ามาได้ดีอะไร ครับ แ, แต่ก็แต่ก็คือเห็นสภาวะที่ที่ยังยึดตัวยึดตนแต่ว่ามันยึดเงี ย, ยนนบๆปนต้องยึดนะถ้าเห็นว่าไม่ยึดีเป็นศึกษาคว้าด่วนเ น, น, น, นะครับมี่กับบ้านเพ่นะครับคสงบก็ต้องทานะรับญญแต่าต่วยาแต่ทิ้งภาษาไปให้ดีนานแต่ยังไม่ยึดแต่ชอบ การนักวิาของอค่ะส่งกันหน้ค่ะมีอยู่สองอค่ะเาแรกก็คือไปเห็นตัวโลกเยอะมากทุกคาที่เราไเห็นเราได้คะแนนนะค <ฮา S 2> ุณสนเกิดในขณะที่เห็นได้จิตดวงที่ไปรู้ที่ัว่าจิตษษษ<ง>ต่กี้นี้รธเป็นมหาคุณส่วนจิตพยานสรรพยุต์ประกอบให้เปันญ า, ศาศ้ นีงไม่อไม่อชอบค่ะมันอยากกนอยากได้อยาก ม, ามีอยากดีด้วยถ้าเราถ้าเราอยากขึ้นมาแลาัไม่รู้นะมันจะกลับพฤติกรรมเราทางกายทางวาจาญาณเพื่อสนองความอยากางจสนองเมื่ยนมันเหนื่อยมากามมนเหนอยบางทีมันพยายามที่จะแสดงให้ให้ให้ตัวมันดีอ่ะ มันจะต้องแสดงให้ครูเก่งครูดีให้ขายเป็ น, นหงานธรรมดาค่ะข้อที่สองก็คือโยงงานให้วัดอาหารแล้วก็<ม>จัดห้องอให้เกียรติกร<ม>ก็<ม>คือมันก็ตร่นใจเหมือนกันนะคะ<ม>แล้วโยงก็บรูปค<ๆ>ุ้มหาอุ้ยฉันก็จัดสวยนะแล้วมันไปเห็นตัวที่มันพร้อมขึ้นมาเม่อ ไ, ไหรเมื่อไห่สิเห็นนะ แล้วมันไม่ป่อยลไ ป, ป ร, นน ร, รู้สึกไั่เกื่อนลื่เหรเหีุใดไรู้สึกเลยไม่ต้เปลียใจแล้ววันจันทร์นั้นมาเวลาโยมจะทาอะไรมันมันมันเป็นมิโหรืออะไรโยาก็จะก็ะคอย่ามกาแล้วเรื่องหลังพฤติกรกรมนะแต่ทั้งความการทาดีทั้งหลังื่าหลัก็จะสนองนตรายใช่ค่ะแค้รู้มาว่ารู้อย่างที่มันเป็นค่ะ ขอการบ้าเพิ่ค่ะถ้ารู้ทันแล้วดูไปือนะมันจะเกิดแล้วว่าทำมันไม่ได้รู้ทันมันไปต่อไปกลงมันกอ่นลอลงแล้ววันเราก็สระจากมันก็จะคนใจที่สูงขึ้นได้ไผมพเรื่องครียหใจเราก็ไปหาต่วเองก็ด้ เราดูสิครับดูได้รู้ตัวริ้สึกตัวหมดใช่ไหมครับหลักนวัสการหลวงพ่อปราโมทค่ะฮึ่มด้วยเลยะส่งกันบ้านต่อจากประมาณ4เดือนที่แล้วก็ตอนนั้นดูว่ากายไมใช้เราแล้วหลวงพ่อบอกว่าต่อไปก็เดี๋ยวที่จิตนะครับจากตอนนั้นมาเนี่ย ประมาณสามอาทิตนะครับก็คือผมก็พลาดไปครับก็คือจำ ท, ที่เคยได้ยินด้วยฟังธรรมะจาหกหัวพ่อแล้วก็ยังมีจิตตัวนี้ไปเที่ยวหาวจิตอยู่พอดครับแล้วก็พอดีเจอครูบาอาจารย์ครับในงานก็บ อ, อกว่าเที่ยวหาคนในบ้านตัวที่หนางท่านอ่ะตก็เลยอ๋ยกอเลยรูุมาแล้วหลังจากนั้นประมาณ อ, อาทิตย์หนึ่งก็ เร mm hmm. ิ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนะฮะเป็นช่วงน ะ, mm hmm. ะช่วงประมาณ4ีห ข, mm hmm. ข, ข, ขนะข น, น, นะครับ mm hmm. แล้วสีานก็เปลี่ยนสี่ขนเปลีนอ่นอนะครับแล้วก็ปฏิบัติรู้สึกว่ามีมาสักพักเลยนแล้วก็มาหัก ม, กมุเป็นเสือแบบกระดิกไม่ได้ไปเลยครับหลว่เวลาพอนมาเจรินได้ก็เสือได้ไม่มีใครภาวนาเจริญ่เดียว ต, ตอถ้าปอนนั้นฉละอลูกเดียวมันจะกลายเป็นกูเก่งแต่เนี่ยทั้งท้งที่ทำเต็มที่แล้ว ก, ก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาแต่เวลาเสื้อมเนี่ไม่ต้องตกใจเพรอนปปรนันเป็นตอเรียนถ้าใจหาั่นไหวให้มหันมหรู้ว่าหวั่นไหวถ้าไม่รู้นะยิ่งดิน้นเนี่ยยิ่งเสื่อมมาการที่มันเสื่อมเนเป็นข้อดีเปนสอนเราน ะ, ะ เ, นเก่นไม่เก่งจริงหรอไม่หรอกเขาไม่ได้เดาไม่ได้ ก็เสื่อมแบบกระดิกไม่ได้สติก็ไม่เกิดทําอะไรไม่เป็น4ี่วันเป็นเต็มทําอะไรไม่ได้ถ้าเลิกจิตกุฎิจิตเจ้าไปพุโธพุโธไปก็เลยดีดึหายใจหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกไปไลยทาอะไรไม่ได้ความสมัธาเนาะใช่ค่ะเพราะนั้นก็สุดท้ายก็จงใจทำสมาธิขึ้นมาก็เลยเริ่มฟื้นขึ้นมามือนกับอย่างนั้นแหละดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย จิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้กะทําสมถะตก็มันมีกำลังกากลับไปดูได้มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นทุกคนก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าถามเท่าไหร่ก็เลยมาใช้การเจริญเมตตาครับดูจิตที่เมตตาตอนเี็เมตตาตอนนี้ไม่เมตตก็เลยคองเข้ามาถึงจิตถึงใจได้มากก็ได้ แล co, uh, that, um, again, so ้วก okay. so ็พอเขาดูแล้วเขารู้ทำได้หน่อยนแล้วเขาก็ทิ้งไปดูอย่างอื่นนะอย่างเช่นดูมานานวิสติปแล้วก็คิดพิจารณาธรรมบ้างก็เนี่ยเยอะเปลรูจำหลัทำอันไหนก็ทำแ้วมันเด็กๆโอเคจได้ผลดีเปลี่ยนไปได้เร็วมั่นฟูแล้วตอนนี้เราต้องการความสงบ จะต้องไปกับเรานันทำสมถะเข้าใจอยู่ไดรูปเดียวเสจเรียเมตตาเนี่ยเผนีฟังเมตตาหรือแล้ดับเมื่อเจริญปัญยาได้มันคงนี้จะได้แล้วก่อนแนกนี้ประมาณ1อาทิตย์ก็ตามดูกิเลสมแล้วแล้วก็เขาก็ค่อยๆหอบตัวมาเป็นก้อนกลมๆตาโออกตาแฉแล้วก็เห็นมันไหว มันก็การเคลื่อนยี er, <t ick> <t ick> <t ick> <t ick ่ปับยุบยี <t ick> <t ick ่ก็ได้นะครับเป็ก้ขมันขยับไปขยับมาเป็นก้อนทุกข์ักตากอยู่ที่นั่นแหละสาวๆรักความบุญที่นั่นแหละหัวจี๋จี๋ทุกวันเลยนะหัวติ้วติ้วที่กลาอหุบเนีแล้วก็ตรนนี้ก็คือสาสวันที่ผ่านมันก็เออ ดูอแบบที่หลวพ่อพูดในซีดีก็คือสภาวะนี้ให้ดูตลอดเวลาจะดูรูปปัจจุบนันไปที่เย็นงตอช่วงนี้จะทำอย่างไรกันมุเนี่ยพะคุณเจริญก็ปฏิบัติเฉื่อก็ปฏิบัติไม่เู้กหรอกแบบนี้สิธีกรรม ชองกอดโยมจะเห็นจิตตะนันแบบเขาก็จะเห็นแต่เวลาคิดเนี่ยมันเหมือนแบบความฝันแต่ถ้าเวลาเราฝันเนี่ยมันจะเป็น เ, เหมือนกับความคิดคือมันไม่มีภาพตรงนอกก็ตัวเดียวกันแหละค่ะแล้วก็จะเห็นตัวตวนที่มันถูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกแล้วก็อิมมันงิยมจะไปไปเห็นแบบเราเวลจะบีดผมพหลวงพ่อเห็นเหมือนแบบต่อไม้แล้วแบบจิตมนันนับไม่ได้แล้วก็แล้วก็เขาก็จะทุบจะทํารดบูลแต่ว่าขณะที่มันมีเคสมันทุบในพระหลวงพ่อเขาก็จะพาโยมหนี มีการภาวนาเขาไม่ยอมรับทุนเนี่ยขอคือเหมือนกับเขาก็รู้แล้วว่าทางออกที่มันต้องรู้กายรู้ใจรู้ทุกี่แหละแต่ชอบก็ยังติดใจอะไรอวบนแบบความสุขในทางโลกขนาดจะได้ไม่น้อยรู้หนังทางเพลงพอเขายังมีความอวบแล้วก็แบบยังแสวงหาความสุขในโลกอะค่ะของพ่อแล้หลังจากนั้นจิตมันก็จะแบบหมุนเตี่ยวเตี้เตี้ยวภาวนาแบบสติเกิดทั้งมันทั้คนจะโยมแบบพักไม่ได้เลย จนสองวัก่อนนี่ยนเริ่มที่จะพักจิตได้แล้วหรเรแล้วก็มันหมดเรี่ยงหมดแรงคนที่คนกำลังคุ้นไขแล้วมันจะเห็นแต่โทรศัพท์แลสายเมืองเ่ยค่ะเห็นถูกแล้วที่ที่พักนะเวลาเราเจริญปัญญาไปเนี่จุดที่พาราเป็นสมถะแล้วทำสมถะใจก็จะได้พักถ้าไม่ได้นำแล้วก็ดิตจะจมแรง อันนี้ไม่ใช่มนัระบบแรงดิ้น่เขมดจริงๆทมดคนแบบ่ยเลแใจใจมันเ<ม><า> จ, จมันเกิดแห้เต็ม <ฮะ S 1> ไปด้วยปูสาวค่ะงั้ต่อไปเราพยายามไว้พรสวนต์นวนะสวดมนต์ไปเรืเร่อยๆได้สมถนะสมถะมันอาศัยตัวเสียอยู่ลองดูทีะวรก็เาม่้ามีสมถะใช้ไม่ได้าาายยล เ, าายดเลย าาาาทารวย น, น่องค่ะโดยเฉพาขาถวายการบูชาพระพุทธเจ้าหลวกพขอค่ะแล้วงานหลวงพ่อค่ะสองกันบ้าในครั้งแรกค่ะจะ ก, กับหลวงพ่อว่าการที่ยอมปฏิบัติเนี้ยดูกายมาตลอดแล้วก็ดูจิตบ้ า, า, ยยางแต่จิตมันค่อนข้างเฉยนะหลวงอถูกไม่ะถ้าจิตเฉยดูกาย้วถูกไ้มค่ะ นักปฏิบัติจะไม่อยากให้จิตนิ่งจิตเฉยคิดว่าดีเลยจิตสงบก็จิตเฉยไม่เหมือนกันจิตสงบแล้นจิตจะเคลอไหวเปล่ยนแปลงทำงานได้ใจเป็นคนดูสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวจิตสงบนี่ใช้สุงไปไม่ดีเลยไม่เดินกับ่ดดถ้าจิตมันนิ่งจิตเฉยให้ดูกาถูกไหมตัวกายเนี่ยความสงบของจิตเป็นควางกายไม่ได้ เ้าเห็นแลมว่ตายแต่จิตเป็นตัวหลักใช่มเนค่เดิ๋อาจ้ยกีกเรื่อๆนะเห็นได้ร่างกายเคล่นไหวจิตมันเป็นตัวสับบางทีเขาสับได้บาทีเขสัไม่ได้ใช่ดูอย่างนี้เรต่อยๆค่อยๆถอนความเป็นจิตนี้ว่า่ายนี้เป็นตัวหองแล้วต่อไปมันจะเห็นจิตมันต้องเคืนไหเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็เหลือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนไเอ ของพ่อค่ะแลวเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดแบบนั้นกระตัวเบาแล้วเราก็รู้สึกเระรู้ตัวนะคะว่ามันเบาแล้วอย่างนี้เราถือว่าเป็นการแบบว่าเออเราก็ไปดูไหคะใช่ได้ถ้ายังไม่ฝึกสตินะใชได้เรีนเบาก็เบาแต่เราไม่มีอะไรดูอะค่ะร้องค่ะก็รู้เบาก็รู้วาเบาแล้วก็รู้ว่าเบาอย่างนี้ไปเรื่อยเอะ่อแต่ไปฝกสติสติร่าวกายมันไหไป เห็นจ <Ah, you know ิตมีป like ีต okay. mm ิมีความสุขดูไปเรื่อยๆปีติก็ดับความสุขก็ดับเป็นเบรกขาดูไปเรื่อยๆเปบรกขาดับกรรมวัตถุสร้างเลยก็ได้ทิ้ไปทิ้งมามันไม่ทิ้ไปทิ้มามันดูแล้วมันก็เห็นอยู่แค่นั้นนะดูกายไหมหมายถึงว่าเราต้องมาอยาดความรู้สึกที่ให้มันเป็นในกายปัจจุบันนะอย่างตอนนี้ใจใจที่ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมรู้สึกอย่างนี้ดีกว่า เราทำปฏิบัตินะเราชอบคิดว่าต้องฝึกจิตให้นิ่งๆก่อนเพราะนิ่งๆมันจะไปัวอะไรจิตธรรมดาว่าอะไรที่สุดนีคนธรรมานะมีจิตธรรมดาแต่ไม่มีสติแล้วปฏิบัติมีสติแต่ไม่มีจิตธรรมดาไปดูจิตที่จิตธรรมดาเรกาขอบกันต้ า, ญญ า, <c oughs> า ง, งไ่ไดบแจงฟูจิฟู้นะเ็นะ เด็กฝรั่งเป็นอย่างนี้เป็นแล้วค่ะพอแม่นะเด็กสาวให้ดูหนีอย่างเดินกตับไปกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะเออคือหนตั้งใจจะทำในรูปแบบนะคะแต่พอพอเริ่มจะทำรูปแบบเช่นอย่างไปเดินเนี่ย พอเดินไปแล้วสัาพขุนอย่างมันจะมีพนังควรวมกระจุกอยู่ตรงกลางนั่งรถกระบะนี้ขึ้นสิบบนๆแล้วก็บนแล้วก็ทำที่เําเลยเดินต่อไม่ได้ค่คะไม่ต้องไปดูมันนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทาจิตเย่าถ้าจิตเราไปเห็นอันนี้จิตจะชอบรู้ทันจิตที่ชอบรู้ทันจิตเฉยยรู้รู้ทางจิตอาการอไรที่ปรานั้นไม่มีความสคัญอะไร อย่าไปให้จิตเลื่อนอย่างนี้นะอย่าใี้มันเพ่งอย่าเพ่งอย่าเพ่อย่างนี้นะอย่าเพ่งอย่างนี้ก็อาการขอสมัครจริที่เกิดเยอะแยะเลยแล้วแต่จะเกิดไว้อะไรจะมาเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ได้บางทีไปทำงานไปเกิดอนไรบางเรียนมาร์คผิดอค่ะ ก็้เปิดล็ไป่ไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดลาอกนะอาการของสมถงมันจะเกิดยอการลิมิตทั้งหลายจะเกิดขึ้นเป็นค่อยๆคายที่ลรากอยู่นี่ให้มันจะดีกร้นได้ขึ้น่าถ้าถ้าสมมติหนุนายรอกจากตรวนี้ได้ก็ถือว่าการดูจิตมันดูแต่คล่องใช่มันจะคล่องแล้วจะเดือดเดือรสเดือก็ทเดือดปฏิเดือดะลายไม่งั้นสย อยู่เนี่ยอยู่เป็นทะไรเสียเวลาไม่ได้ปัญญาเลยหนูก็เห็นในบาทีความสงบมันก็เป็นตัวทุกข์เลยตัวไม้เลยนะตอนที่เราไปติดนิ่งเฉยไม่ดีเลยตัวรับนั่นไหถ้าใจในชื่อไหวเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้มันการที่มันติดเราเพรว่าหนูไปดูดวงใจหรือว่ากดจกันไเราเพ่งอยู่ในอารมณเดียวใจเชื่อมไม่เปไหเลย แตอบางบางทีหนูปล่อยงายนะคะแล้วมันก็มีกระแสรกระแสแม่ยุยงชุวเข้ามาแล้วมันก็จะกั ต, ตัวไยังานตัดแรงที่ร้อนเนอะนะตอนแรกจะไม่ตาอมารงแรกมันไม่อยากให้เราไปพคนถูกต่อคนทุกขนี่จะปล่อยภานานที่ไม่ดีของแม่เรไม่ให้เราพนแล้วแล้วบางทีหนูปล่อยมันเออจะไปเล่นตาไห แต่ไม่ตายไปด้เพื่อค่พลังของมันที่มันส่งตัวเราจะอ่อนลงค่ะแล้เรามีอยู่ช่วงนึ่งที่หนเห็นแบบเหมือนสิตมันขึ้นมาหายใจยากแบบจะหลับอยู่แล้วหนูก็เห็นว่าแบบพอพอทำไปดูจิตมันคิดดูมันมันทำของมันเองอะค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งหนูเห็นจิตที่มันเข้าไปจับะารตัวหนูแบบเป็นทุ่ทนทีเล แล้วหนูก็เห็นว่าตอนนั้นคือพ่ออยู่เนี้ย<อ>ตอนนี้หนูต้องายจากสมาธิต่ออชไรล็อกตอเป็นถ้าหนูฝันดีดีมต้อง้านไปหรือเปค่าเปล่าการทำดีหลวงพ่อจะไม่ลอก <c oughs> มันหนเป็นสมาธิทั้งวันเลยนะคะถ้านแล้วไปำใจอ่างนีก็ติดสิต้องให้มันเชื่อนไหวแต่กว่าบ้านถูงบ้าไปทำงานอะไรก็ไป แต่บางทีทงานซ้ำๆดูไก้ต้องไปเค่ยีบนาจิตเโ้โน่าเลย่กรบมบณคะหมดเวลาแล้วงอาจารย์สอนท่านจะต้องสอนต่อใช่ารการขอถวายการบูชาแต่พระุทเจ้าหลพ่อแลทุกท่านด้วยนะหมดวลาแล้วสาธุภาหงมีอะไรแนะนเห็นจอมเกแรงไหม ดูไปเรื่อยนะเคยทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานหรือทุกข์สั้นรู้ไปใจจึิงฐ า, า, า, านนี้ไม่จริงฐานเขารู้ว่าขณะนี้ใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่หล อ, อ, อกชนะักนนีะ่แต่เราล้ น, นนะให้เรารู้นะหเรารู้เพื่อที่มาในขณะ่เราหจะหลอกพ่กสิ่งยังต้องใจใจจิตต คือเหมือนกับว่าขนารอเพื่อคำตอบเฉยพ่อนี้ะปฏิบัติให้ถึงที่สุดนี่ก็คือต้องูกายรู้ใจตัวเองรู้สึกตัวอะดรเฉกได้ตัวตำรวจรู้กรู้ใจก็ไม่ได้ยินคาตอบอ๋อไม่ได้ยินคตอบแลวตอนนี้ต่อองนอกตออเป็นไปเรียนปริญญาต่อรอนอกนั้นแต่ไปอ่าคิดนออกนอกก่อเลยไม่้นเเรียนไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนปริญญา้รู้วิธีปฏิบัติ ถึงวิธีปฏิบับติแล้วเนี่นยก็ไม่ได้บอกครว่าห้ามออกลอกแต่บอกลอกให้ดูถนะ้าไม่ได้เข้ามาด้วยม า, กกามนะ ด, ดูการรา้ใจใช่ไหมเขาพดดีขึ้นนะแต่ใจต้องถึงฐานกว่นี้หน่อยใจกระจายกว้างๆออกไปรุ่งว่า ง, า ง, างออกไปอย่าให้ใจนะเป็นติ่ว่างๆสบายๆนะแล้นั้นหอกเป็นติด่งนอกพวกที่ดูจิตจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตจะเจอวิปัสสโล ตัวที่หนึ่งชื่อโอภาสโอภาสยังสว่างว่าสบายโลกล้วไจติ ด, ตดเลยจะไม่ได้เป็นอย่างต่อให้ใจตึงถานให้รู้ารน้ำใจออกนอกนะพอใจตึงถ่านปุ๊บวิปสัสสนูจะหายวิปสัสสน์ทั้ง1ิตัวเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมวัตจากรธรรมะวัตรจักจะหายได้ทันทีเลยนะถ้าจิตมีสมาธิตึถาน แร่งวิปสัสโร่เนี่ยเนี่ยก็ต้องเจอแต่ไม่ต้องกลัวมันเกิดตอนที่จิตไม่เข้าบ้านถ้าจิตถึงฐานจริงๆหลายทันทีเพระทุกค น, น<อ> บ, บ, บากตางห้ามการของของป่าสมบัติได้ที่แล้วสามปีอเอิ่มย่อๆได้ไหมตนะอบสั้นๆใช่นั่นถามเท่าที่จะเป็นคือมันมีข้อ ส, สยอยงสยเก็ดมาสองปีกว่านะ พอดีป่ยวยหนาคนก็รักษาตัวอยู่สัรเตือนแล้วก็ทรมานมากภาวนาเทาา่าไหร่ก็สู้ไม่ไหวจนถึงจุดหนึ่งเน่ยอมตายายอมตายแล้วก็อยู่วันหนึ่งเนี่ยยืนแต่งฟันอ ย, นอ ย, นออยู่แล้วก็มันแบบการรู้อะไรก็รู้แล้วก็ไม่รู้สึกไม่หมายแล้วสักแป๊บนึ่งก็ไปสวิทช์ดับไปเลย มารูส้สตัวเที่มานอนอยู่บนเตียม <H ip> เ, เห็นเห็นเห็นการหยาบลงของอุตยาแล้วก็กระทบอะไรไม่รู้แล้วก็กระทบความรู้สึกกระทบกายความคิดก็ขับมา <h ip> ทีนี้ที่อยากทราบคือว่าถ้าตอนเราตายไปที่จะเป็นยังไงครพ่อเราเป็นสติรู้ทันอยู่นะตายไปเก็ไม่เป็นอะไรเคยคะมันมันเป็นความสงสัยที่เก็บมาเป็นชองปีก็เลยอยากอยากเรียนรู้พ่อ ก็ช่วงหลังท mà, <C ái S 1> ี่ภาวนาแล้วรู้สึกไม่รู้ว่ารู้อเปล่าทำมันมันเบาๆเลยต่อให้ถูกมก็ไม่น่าใจก็เลยนับใหม่ใหม่ให้รู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบค่ะแจ็แจ็ไม่ชอบเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นการรู้มันเริ่มเป็นภาวเริ่มเริ่มเริ่มเลิมกเร่อรกั ักสบเป็นช่วงๆไปพักสุบไม่พอนะให้สงบนะทำสมาธิพักผ่อนค่ะพักผ่อออกไปรู้อีกไม่เริ่มรู้นั้นะไม่ก็จะกลายเป็นก็ไม่ยอมเดินปัญญาแล้วจะทำใจว่างาตลอดก็ใช้ไม่ได้ค่ะเออโอเคครับขอบคุณค่ะเป็นสุดท้ายเรายัไม่เล่นนะมาช่กัน่อนตรดสัมา สังเกตว้กายกระจายเป็นคนอารมใจเป็นความรู้สึกกรใจายก็คนอารมณ์หล่อไหมขันยอดแยกไปเลยถ้าขันแยกได้นะต่อไปก็เห <ah ็นข um> ันนั้นทำงานไปได้นะไม่มีหล่อดูอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรา่ากามันทำงานไม่ใช่เราทางานจิตใจมันทงานไม่ใช่เราทำงานดูอยนาี้เรื่อยๆถ้าคสั้นก็ไม่ได้ส่งมาลธรรมะสลบไปสลไปเรื่อยๆใจก็สลก ส่วนที่ม่ตอบุดันเรียกได้จบเลยใ่ไเจ้าค่ะุณหพลานะเราตูจาูเดี๋ยวกำไบาก็มีนะาเท่มนเไปรับออฟอยาที่เดียวกันนะขอทุกท่านกลับหรือแลกบตรส่งมาอยู่พ่อในงัช้า kwang kwang k w